แต่ท่านพูดว่าเราหยุดแล้วองค์คุลีมานไม่หยุดว่ายัางไงหยุดทําไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นองค์คุลีมานตอว่าแต่เราหยุดจากการทําชั่วองคคุลีมานเข้าใจโอ้เราทําชั่วแล้ววันต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทําชั่วคิดรีตองฟังคําพูดแล้วได้สําเร็จเป็นพระนิยบุคคลได้ในขณะนั้นเลย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 แต่กรรมนั้นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับหมาในไรเนื้อสันบ้านของพอหมาในไรเนื้อเมื่อเนื้ออ่อนลงโซมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นเป็นคำพูดบันนี้เราไม่ต้องคิดอย่างนั้นเรามีจิตใจเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปไหน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 ทำงานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านรู้ว่าหน้าที่สิ่งนี้สิ่งนี้ท่านรูดังนั้นเราทุกคนเป็นพุทุสนเราต้องรู้จักห่ากการกระทานั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเราดังนั้นการกระทาทุกสิ่งทุกอย่างแล้มารวมอยู่ที่ใจวันนี้ก็พูดมาอ้อมค้อมมาให้มาอยู่ที่ใจทั้งนั้น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 ก่อนที่สงบเน่ยต้องรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงทุกคนทําได้เป็นเพราะทุกคนมันมีเนี่ยจึงว่าการกระทําแบบนี้ไม่ขึ้นอยู่ครูอาจารย์ครูบาอาจารย์จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทําอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อน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 เป็นของไม่ยากไม่ลำบากไม่เดือดร้อน <c oughs> เป็นของทำง่ายๆไม่เดือดร้อน <c oughs> พอดีเห็นคมคิดรู้ขมคิดเราก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้ว <c oughs> ก็เห็นสมุทฐานของผมคิดแล้วก็เปรียบเทียบมันเปรียบเทียบขึ้นมา <c oughs> เข า, า, าเรียก ว, ว่าเหตุการณ์ แกด้วยเหตุการณ์เราก็คิดว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ในโลกอันนี้ในโลกที่สอนเราได้ทุกวิธีจะเห็นคนหลายคนก็าตามน้อยคนก็าตามมันมีอยู่อย่างนี้เราจะไปบังคับไม่ให้มีอย่างนี้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นคนที่จะหมุดไม่เป็นหมุดไม่เป็นเลยคนแต่ว่า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 ดังนั้นคนเราจึงอยู่ได้เพราะความหวังเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ความหวังนั้นมีหรือไม่มีไม่รู้หลวงพ่อเองอันนี้เคยมีหวังว่าอย่างนั้นนึกว่าทาบุญบามากๆแล้วตายไปต้องไปเกิดสวรรค์ไปอยู่เมืองสวรรค์เมื่อบดบุญกุศลนั้นกลับมาเกิดเป็นคนมันเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นเป็นวิญญาณของสาหรับบุคคลผู้ไม่รู้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 แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมาไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นวันนี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาค้นคว่วขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองได้ตัดสู้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็นำมาสอนจึงว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ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 มันคิดขึ้นมาในขณะไหนเวลาใดนั่นแหละเป็นการทำให้แจ้งมันคิดปุ๊บเราเห็นปับ๊บนั่นแหละเราเห็นแจ้งแล้วไม่เห็นความคิดเตตัวเห็นกับตัวรู้มันคล้ายๆ ค, ค, ค, คืออันเดียวครับแล้วเราเรียกว่าวิญญาณก็ได้บันี้สังขารมันคิดรือตัวสมัยไหมตัววิญญาณก็เป็นตัวรู้ตัวเห็นต้องคนรู้แจ้งนอกจากความคิดแล้วไม่มีอะไรทั้ง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 ได้กระแสหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานะก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จากการเคลื่อนไหวของเรานี่เองมันคิดมาเราเห็นเรารู้อันนี้แหละได้ต้นทางกระแสพระนิพพานก็นยิ่งนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุกข์เราก็ต้องดูความคิดนี้เองเนี่ว่านิโจรจจึงเป็นการทําให้แก้ก่อนที่จะรู้สํานึก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 มันคิดขึ้นมาเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอันนั้นแหละเป็นการปฏิบัติแท้เมื่อเห็นมันเข้าใจมันอย่างนี้ควมโกรูคว่มหลงควมโลภมันก็ไม่มีอยู่ที่จิตตัวนั้นแต่เมื่อมันมีขึ้นมาเราไม่เห็นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจมก็ไปยึดไปถืออันนั้นอันนี้เข้ามาเมื่อไปยึดไปถือเข้ามาเราก็ทุกข์แบกหนักขจงว่า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 ความสบายนะ่จะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่อย่างนั้นตลอดกาล